ที่ได้ตั้งใจฟังพระธรรมในครั้งนี้ก็จะบรรยายต่อจากครั้งที่แล้วเนี่ยในครั้งที่แล้วพูดในเรื่องของมงคลมงคล38ประการในมงคลลสูตรเนี่ยเคยพูดไว้แล้วครั้งหนึ่งแต่เห็นว่ามันนานก็เลยกลับเอามาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งเพราะเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่การที่จะศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าตราัสเอาไว้บอกว่า มงคลเนี่ยเป็นเหตุแห่งความสุขเป็นเหตุแห่งความเจริญทีนี้ว่ามงคลที่จะเป็นเหตุแห่งความสุขเป็นเหตุแห่งความเจริญเป็นเหตุแห่งความรุ่งเรืองได้นั้นน่ยก็ต้องเข้าใจมงคลในศ า, าสนาให้ดีในครั้งที่แล้วก็ในพูดในเรื่องขอ ง, อ ง, ของมงคลทั้ง38ประการแต่ว่าเป็นภาษาบาลีแล้วก็คะกะําแปลกข้าาที่พูดในเรื่องของคําว่าอาเสวนาเจภารัง ปัณฑิตานั้นจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังแล้วก็เอตามังคามุตามังเป็นต้นไปไปตามลำดับในหลักของมงคลาสูตรก็คือการไม่ครบคนพานการครบบัณฑิตการบูชาบุคคลที่ควรบูชาการอยู่ในประเทศที่สมควรการได้ทำบุญไว้ในปางก่อนการตั้งตนไว้ชอบการฟังมากการศึกษาศิลปะวินัยที่ศึกษาดีแล้ว วาจาสุภาษิตการบำรุงมารดาการบำรงบีดาการสงเคราะห์บุตรภรรยาการงานที่ไม่อากูลเป็นต้นแล้วก็ทานการให้การประพฤติทำการสงเคราะห์ญาติการทำการงานที่ไม่มีโทษการงดเว้นจากบาปการสำรวมจากการดื่มน้ำเมาความไม่ประมาทในธรรมทั้งหลายความเขารบความประพฤติถ่อมตนความสันโดษความกระตัญูรู้คุณท่านการฟังทำตามการ ความอดทนความเป็นผู้ว่าง่ายการเห็นสมณะการสนทนาธรรมตามการความเพียรเผากิเลสการประพฤติพรหมจรรย์การเห็นอริยสัจการกระทพาพันิเพปานให้แจ้งความไม่โศกจิตที่ปราศจากธุลีคือกิเลสจิตที่ถึงความเกษมจากโยคะเป็นต้นเนี่ยนะอันนั้นคือหลักของมงคลหลักของมงคล ทีนี้ในครั้งที่แล้วได้พูดในเรื่องของคํ า, ค ว, าว่าการไม่คบคนพานแล้วก็การครบบัณฑิตและประการที่สก็คือการบูชาบุคคลที่ควรบูชาทีนี้การศึกษาในคําสอนเนี่ยโดยเฉพาะว่าการไม่คบคนพานการครบบัณฑิตแล้วกัการบูชาบุคคลที่ควรบูชาเนี่ยนียถ้าศึกษาคําสอนนี่ดีว่าเอ๊ะทำไมเขาฟังกันแค่นี้แล้วก็ได้บรรลุใช่ไหมอย่างยกตัวยอย่างเช่นว่า เสวนาจะพาระนางปันติตตานั่นจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเยตมังคะรมุดมังเนี่ยเวลาพระพุทธเจ้ากล่าวแค่นี้เนี่ยสัตว์โลกก็ได้พากันแทงตลอดอริยสัตว์เออเราก็แปลได้ใช่ไหมเราก็ท่องภาษาบาลีก็ได้แปลก็ได้แต่ทําไมเราแทงตลอดอริยสัตว์ไม่ได้เออทําไมไม่รู้แจ้งแทงตลอดคําสอนอยู่ไหมทั้งๆเราก็แปลได้นหนึ่งการไม่ข้อคนผานสองการคบบัณฑิต ส, สามบูชา บุคคลที่ควรบูชาสามประการนี้เป็นอุดมมงคลเนี่ยแปลงี้ได้ด้วยนะแต่ถามว่าเอ๊ะไม่เห็นเห็นแจ้งอะไรเลยตรงนี้ก็คือว่าเพราะเราไม่ได้ศึกษาให้ละเอียดอย่างยกตัวอย่างเช่นเราไม่ได้เอาเทศนาหาระของพระพุทธเจ้ามาจับถ้าจะยกขึ้นมาสักบทหนึ่งนะยกตัวอย่างเช่นปูชาจะปูชนียานังเนะี่ยคําว่าบูชาบุคคลที่ควรบูชาเนี่ยนะถ้าจะเอาเทศนาหาละมาจับที่บอกว่า เทศนาหาระเนี่ยคำว่าหาระเนี่ยแปลว่าเป็นคําสอนที่กําจัดความหลงความสงสยัยความไม่เข้าใจในพระพุทธพจน์ของพระพุทธเจ้านี่น่ยอัดของพระสูตรย่อมถูกพลานาด้วยถ้อยคําเพราะเหตุนั้นน่ยถ้อยคํานั้นจึงชื่อว่าเทศนาเทศนาหาระเนี่ยมีอยู่หประการนะก็คือว่าอัาธาอาทีนวานิสระนาผลอุบายอานาตัตติบาลีเขาว่า อัาฐานีนวตานิสระนังปีจะพลังอุปาโยจะอานัตติจะภะคะวโตโยขินางเทสนาหะโรคือในบรรดาอัฏหกอย่างนั้นสุขสมมนัตอิทธารณมที่น่ายินดีและตันหาวิปลาสอันเป็นเหตุแห่งความยินดีชื่อว่าอัสสานะตรงนี้ถ้าหากจะเข้าใจคําสอนของพระพุทธเจ้าตรงนี้ น, นี่ยเข็บอกว่าอะไรคือสุขสมมนัต อะไรคือสุขสมมานัตก็บอกว่าสุขก็ดีสมมนัตก็ดีสุขนี่แปลว่าสุขทางกายนะสมมานัตนะคือความดีใจนะสุขกายกับสุขใจในคนละส่วนกันนะสุขกายก็คือการได้สัมผัสที่มันนิ่มๆใส่เสื้อผ้านิ่มๆ น, มนอนที่นอนนิ่มๆ น, นั่งเก้าอี้นิ่มๆ น, มนอนในฟูกที่นิ่มๆเนี่ยอันนี้เขาเรียกสุขกายถ้าสุขใจก็คือว่าเมายมีความยินดีมีความปรอบปลื้มใจเป็นต้นฉะนั้ทนท่านจึงแยกกันไง สุขและสมณะนิ่จัดว่าเป็นอัสธาทะอิทธารม์อันน่ายินดีคำว่าอิทธารม์ที่น่ายินดีก็แปลว่าอารมณ์ที่น่าชอบใจอารมณ์ที่น่าชอบใจคืออะไรถ้าเป็นสามีภรรยากันเนี่ยภรรยาเป็นที่น่าชอบใจของสามีสามีเป็นที่น่าชอบใจของภรรยาอย่างนี้ใช่ไหมไม่จริงเสมอไปบางทีก็ไม่เคยน่าชอบใจใช่ไหมเอาอารมณ์ใดก็แล้วแต่ที่เห็นแล้วมันชอบใจอย่างนั้นก็เรียกอิทธารม์ คือเป็นที่ตั้งแห่งความยินดีตัณหาวิปลาสอันเป็นเหตุแห่งยินดีเรียกว่าอสาทาตัณหานี่เป็นอสาทาที่เป็นเหตุนีตัวโลภะเนี่ยโลภะเจตสิกนะไม่ใช่โลภะจิตนะโลภะเจตสิกนั้นประกอบในโลภะจิตใช่ไหมฉะนั้นโลภะเจตสิกนั้นชื่อว่าโลภะเหตุอันนี้ก็จะเป็นเหตุแห่งความยินดีถามบอกว่าคนที่จะยินดีได้เพราะมีอะไรเพราะมีโลภะเหตุ ถ้าไม่มีโลภะเหตุแล้วเนี่ยคนจะไม่ยินดีกันอันนี้หมายถึงกรรมบกุณนะหมายถึงความยินดีพอใจในรูปเป็นต้นฉะนั้นก็จึงเรียกว่าเป็นอัศสาทที่เป็นเหตุส่วนทุกขเวทนาทุกทุกขตาสามอย่างและสังขารและทุ ก, กันเป็นไปในภูมิสามชื่อว่าอาทีนะวะรู้จักคำว่าทุกขเวทนาไหมความไม่สบายกายความไม่สบายใจเนะี่ยเรียกว่าทุกขเวทนาทีนี้ทุกขตาสามอย่างมีอะไรบ้างอะ่ะรู้จักทุกขตาสามอย่างไหม ทุกขตาสมอย่างก็มีไงทุกขโทกวิปริณามะทุกแล้วก็สังขาระทุกนี่ก็เรียกว่าทุกขตาสมอย่างใช่ไหมถ้าทกกขทุกเขาแปลว่าทุกกายและทุกใจวิปริณามะทุกก็คือความสุขนะแต่ในภาษาพระพุทธเจ้าเรียกว่าเป็นความทุกข์เช่นความสุขกําลังเกิดขึ้นในใจเนี่ยนะถ้าในภาษาของพวกเราเรียกว่าสุขแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าทุก์เพราะอะไรจึงเรียกว่าทุก์เพราะมันเปลี่ยนอาการเปลี่ยนของเขานี่ยแหละเรียกว่าทุก แต่ขนาดเปลี่ยนเราก็อยากจะมีใช่ไหมอยากจะมีสุขแบบนั้นนะทั้งๆที่สุขมันไม่เที่ยง่ก็ชอบส่วนสังขาระทุ ก, ก็คือทุกประจําสังขารของรูปน้ำกัน5อันเป็นไปในภูมิ3อันเป็นไปในการมาภูมิรูปประภูมิแล้วก็รูปประภูมิอันนี้เรียกว่าอารธีนวะอริยมรคที่ประกอบด้วยองค์8เป็นเหตุให้พ้นจากสังสารวัร อริยมรรคที่ประกอบด้วยองค์8มีอะไรบ้างอสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกรปรสัมมาวาจสัมมากรรมตาสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติแล้วก็สัมมาสมาธิที่เป็นไปในภูมิทั้ง3ที่เป็นไปในกรารปภูมิรูปประภูมิและอรูปภูมิข้อภัอยเป็นเหตุให้พ้นจากภูมิทั้ง3พ้นจากการปภูมิรูปประภูมิและอรูปปภูมิเลือกพ้นจากวัตฏะก็ได้และก็พระนิพานพานพระนิพพานนี่เป็นธรรมที่สิ้นจากกิเลสได้รูปนามขันหะ เป็นที่พ้นจากวัตทุกข์อันนั้นเรียกว่าอะไรเรียกว่านิสรณะนี่เราก็จะประเด็นคําสอนได้แล้วอส า, าธาได้แก่สุขสมอนะัตตานหาวิปลาสอาทีนวะได้แก่ทุกขทุกกระทุกวิปรินามทุกข์แล้วก็สังขาระทุกที่เป็นไปในภูมิสามใช่ไหมส่วนนิสระได้แก่อริยมรตมีองค์8ดแล้วก็พระนิพพานอภิการต่อมาคือทิฏฐธรรมิกถะ ป, ประโยชน์เขาเรียกประโยชน์ในปัจจุบัน ทิาธรรมมิกรทประโยชน์ในประโยชน์ในปัจจุบันก็คืออะไรบ้างอะเกี่ยวกับในเรื่องของปัจจุบันเนี่ยที่เราได้มีทรัพย์มีที่อยู่อาศัยมีเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคมีเพื่อนฝูงเป็นต้นเราเนี้ยมั้อันนั้นเขาเรียกประโยชน์ในปัจจุบันอันมีสุตตมยปัญญ า, ป, ญญาปัญญาเกิดจากการฟังอัตเเวสความรู้อัตธรรมเวสความรู้ธรรมะพ่อสายเทศนาและสำบัติรายกิกรทประโยชน์อันมีภาวะสัมปัติการเกิดในภพภูมิที่ดี โพค้สัมปติความเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยโพค้าสมบัติเป็นต้นอันนี้เชื่อผลเดอคำว่าผลเนี่ยผลของอะไรผลของการฟังธรรมผลของการฟังธรรมเนี่ยได้ประโยชน์ในปัจจุบันนะแล้วก็เป็นปัจจัยให้ได้ดีในประโยชน์ในภพหน้าด้วยสิ่งที่ได้แน่แนคือได้อัถเวทความรู้ในอัถารู้ในผลธรรมเวทความรู้ในเหตุความรู้ในธรรมะแล้วก็อาศัยเทศนาสัมปรา ย, ยกถประโยชน์ แล้วก็ภาวะสัมปัติการเกิดในภพภูมิที่ดีเช่นว่าการฟังทำการให้ทานการรักษาผลของต่างๆ่างเราเนี่ยนะเป็นเหตุเป็นปจัจจัยเกิดในภพภูมิที่ดีดีความเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยโภคสมบัติอันนั้นเรียกว่าผลเหตุแห่งการบรรลุนั้นน่ะแล้วก็ปุปรภักติปัิปทาอันเป็นส่วนเบื้องต้นของอริยมรรคกันเชื่ออุปายอะไรคืออุบายเหตุแห่งการบรรลุผลเป็นอุบายตลอดถึงปุพรภักของ ปุปภคของอริยมรตอะไรเป็นเบื้องต้นของมรติปฐฐานสุจริตสามโยนิโสมนศิการเินรีสังวรการฟังสัดธรรมเป็นต้นเหล่านี้อันนี้เป็นปุปภาคของอริยมรตเป็นเบื้องต้นของมรติถ้าถามบอกว่าจักบรรลุได้เพราะอะไรก็ต้องมีการฟังธรรมต้องมีการรักษาศีลต้องมีการ จเจริญสมถาแล้วก็วิปั ส, สนาเป็นเบื้องต้นอันนี้เหตุแห่งการบรรลุใช่ั้ยอันนั้นเ็าเรียกว่าเป็นอุบายการตักเตือนแนะนำจงประพฤติอย่างนั้นเป็นต้นของเทสกะบุคคลมีพระพุทธเจ้าและก็สาวกของพุทธเจ้าเป็นต้นเนี่ยเพื่อมุ่งหวังจะให้เวนยศัตว์บรรลุประโยชน์สุขชื่อว่าอนาตัตติถามบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยตักเตือนพวกเราทั้งหลายใช่ บอกว่ดูก่อนภิสูุ์ทั้งหลายดูก่อนอุบาสกทั้งหลายดูก่อนอุบาสิกาทั้งหลายเป็นต้นเธอจงปฏิบัติอย่างนี้จงหลีเกเลี่ยงอย่างนั้นเป็นต้นเหล่านี้อันนั้นเขาเรียกว่าอานัตติก็แปลว่าคําตักเตือนทีนี้นะถ้าจะยกเป็นอุทาหรณ์เช่นบาลีที่เรากําลังศึกษากันบอกว่าปูชาจะปูชนียานางในมงคอลสูตรเนี่ยเอายกมาสักข้อหนึ่งเนี่ยนะถ้าจะยกทุกข้อไม่ได้เอามาสักข้อดเดียวเนี่ยนะเอามาขยายลงใน อะไรคืออัศสาธา้อะไรคืออาทินว่าอะไรคือนิสระนอะไรคืออุบายอะไรคือผลอะไรคืออนัตติคือเอาปูชาจะปูชนียานังเนี่ยมาส่งข้อลงอัดในหกอย่างจะส่งข้อยังไงเนี่ยนะอายกตัวอย่างเช่นปูชาจะปูชนียานังในมงคลเนี่ยนะปูชาจะปูชนียานังเนี่ยถามกว่าพระพุทธเจ้า แ, แสดงอะไรคนถึงบรรลุบูชาบุคคลที่คนบูชาเนี่ย เมื่อครั้งที่แล้วได้ยกนายสมนมาลาการที่ถือดอกไม้อ่ะสามกำมือใช่ไหมไปบูชาพระพุทธเจ้าเพราะเหตุแห่งการบูชาพระพุทธเจ้าในครั้งกันนั้นเนี่ยนายสมนมาลาการนั้นจะได้เป็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้าในอนาคตและตลอดถึงแสนกับนั้นนายสมนมาลาการจักไม่รู้จากคาว่าทุกขติเลยถ้าคิดอย่างนี้พวกเราก็เริ่มได้ดีแล้วใช่ไหมใครได้บูชาพระพุทธเจ้า ได้ถือดอกไม้บูชาพระเจ้าบางีอย่างบูชาแบบจริงๆนะแบบตั้งใจนะบูชาแบบจิตใจไม่วอกแวกนะ่ตรงเนี้ยที่บอกว่าเป็นคือพระพุทธเจ้าแสดงอริยสัจนั่นเองดังที่กล่าวว่าสายังเทศนากิงเทสยติจตาริสัจจานิทุกขงังสมุทัยังนิโรธังมากคังอธิบายว่าบูชามีอยู่กี่อย่างมีสองอย่างคืออมิรบูชาแล้วก็ธรรมะบูชาในสองอย่างนั้นเน่ ฐานะมายากุศลเจตนาและกิริยาเจตนาตามในแห่งประศูนยมีอยู่สิประการเนะื้ออ น, นงังปานางังกังวัตถังมาลาสายยาหนังวิเลปนงังคันโทเสยยาปทีเปยังฐานะวัตถุงหรือฐานะวัตถุสียุงทัศก็ไปเอาสิบนี่มาในอภิธานนะืตามในแห่งภาพพิธรรมก็มีเท่าไรเท่าไตามในแห่งภาพพิธรรมก็มีอยู่6 ลประธานังสัทธาทานนางกันธ า, า, า, าทานังรัชธานางโพธพาทานนางแล้วก็ธรรมาทานนงตามในแห่งพระวินัยก็มีอยู่สี่อย่างจีวรบินาบาบจันาสนะเพสรศลักษณะอย่างนั้นเขาเรียกว่าอามิสบูชาโอว่าเป็นภาษาบาลีในเดาแปลไม่ออกอันนังนี่แปลว่าอะไรนี่อันนังแปลว่าอะไรก็ว่าเป็นภาษาบาลีก็ไว้อย่างนั้นาานะเพื่อทีในนาคตเนี่ยใช่ไหม ไปรู้ภาษาบาลีเมื่อไหลยจะได้รู้อ๋อเมื่อชาติที่แล้วเราเคยฟังจากพระดันเทศทบอกใช่ไหมบอกโอ้เนี่ยคําำเนี่ยเคยได้ยินมาแล้ว ส, สบายเลยทีนี้ยอันนังเนี่ยก็คือว่าข้าวไงปานังก็คือน้ําครังก็คือที่อยู่วัดถังก็คือเครื่องนุ่งหม่มมาลาก็ดอกไม้ใช่ไหมยานังคืออะไรยานพ่านนะวิเลปนังอะ่ะ เครื่องรูปร้ายวิเลปนาคันโทก็คือของหอมไยาก็เครื่องนอนน่ยไสยาไซยที่ทางไยาตัวนั้นแปลว่านอนไซยาดนั่นเองใช่ไเป็นว่าเครื่องนอนส่วนปฏีเปยังก็คือเครื่องให้แสงสว่างปฏีพนั่นเองเราได้บาลีอย่างนี้ก็สบายเลยนะต่อไปก็พอได้ยินภาษาบาลีอย่างนี้บโอ้จำได้เลย มุติถไปเกิดในภพใดภพหนึ่งเนี่มันมีอัธยาศัยเหมือนกันนะการฟังให้เป็นอัธยาศัยเนี่ยเอะเสียงนี่คุ้นค้นนะเนีว่าอันนางปานางครังวัดถังมาลายานางวิเรปานางคันทัวเสยยาปฏิเป ย, ยังทานวัตถุสียงทศาโอ้สิประการนี่มาในพระสูตรนะนเนี่ยเนก็คืออันนี้เขาเรียกว่าอามิตรบูชาการบูชาด้วยอามิตรด้วยสิ่งของตามในแห่งพระสูตรตามในแห่งพระสูตรมีอยู่10ประการก็คือมี ข้าวน้ําที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มดอกไม้ยานพา้านะเครื่องรูปร้ายของหอมเครื่องนอนแล้วก็เครื่องให้แสงสว่างอันนี้ในยาของพระสูตรอันนี้เขาเรียกเป็นอามิสบูชาถ้าสิบประการนี่นะเราเอาไปให้ใครก็แล้วแต่อย่างนั้นเขาเรียกบูชาด้วยอามิสอันในที่นี้ก็แปลว่าให้พระพุทธเจ้าเขาเรียกบูชาพระพุทธเจ้าด้วยอามิสเคยให้ที่นอนเออเคยให้นะเคยให้เคยเอาข้าวถวายพระพุทธเจ้าหรือยังถ้ายังย ก, ก็ถวายซิเนี่ย เราจะถวายได้ยังไงเพราะพระพุทธเจ้าปรินิพานไปแล้วมีพระพุทธรูปแล้วก็จัดสํำรับอาหารไปถวายอนี้ก็จะให้ข้าวใช่ไหมน้ําอาเวลาจะถวายน้ําก็เอาไปบูชาพระพุทธเจ้าบอกขอ บ, บูชาน้ําที่บริสุทธิ์นี้ขอถวายพระพุทธเจ้าใช่ไหมผู้ประกอบด้วยอาลันตคุณเป็นต้นเหล่า น, นี้ที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งหม่มเนี่ยถวายได้หมดนะถวายพระพุทธเจ้าได้ทั้งนั้นเลย เช่นผ้าเอาไปหอมพระาธาตุเอาไปหอมว่าเยดีเป็นต้นเหล่านี้นี่แหละคือไปถวายใครถวายพระพุทธเจ้านั่นเองอันนี้ก็ดอกไม้อันนี้ก็ทำํำยานพาหนะญานนี้อะไรเดียวยานนั้นอัตรกระถาท่านแก้ว่าได้แก่รองเท้า <c oughs> วถวายรองเท้าเขาบอกไปชาติหน้าจะได้มีรถใช้ยเยอะๆมียานพาหนะเยอะๆสงสัยชาติที่แล้วไม่ได้ให้ยานไว <c oughs> ชาตนี้ไม่ค่อยมียานได้ใช้ก็ยานนังให้ยานแล้วก็เครื่องรูกไล่เครื่องลูกไล่เครื่องรูกไล่ก็พวกของไอพวกน้ํามันอะไรนะี่นะคนก็น้าหอมไปถวายนะบางทีซื้อน้ําอบน้ําหอมเออแล้วก็ของหอมเครื่องนอนแล้วก็เครื่องให้แสงสว่างนี่คือกลุ่มปฏิบ พ, พวกเทียนเอยพวกอะไรนะนี่เป็นนี้ส่วนตามในของพระอภิธรรมก็มีอยู่หอย่างหกอย่างมีอะไร รูปธาตานังสัทธาธานังคันธะทานังราสาธานังโพธพาธาตานังแล้วก็ธรรมทานังก็ค an anyway> hey ือให้ร really in <th ูปเป็นทานให้เสียงเป็นทานให้รูปเป็นทานให้ยังไงคือว่าให้ข้าวน้ํำนี่แหละแต่เน้นที่สีถูกไหมให้เสียงก็มีการพละนาคุณเงี้ยอย่างเงี้ยให้เสียงเป็นทานการกล่าวว่าธรรมนี่ก็ชื่อว่าให้เสียงเป็นทานเนีเนี่ยให้เสียงเป็นทานเหมือนกันเน้นเสียงี้ หรือบางทีเนะี่ยบางคนนะให้สิ่งของอะไรแต่เน้นเสียงเหมือนกันเช่นให้ข้าวนี่แหละพอกถ้าหากเคี้ยวแล้วเสียงมันดังเพราะดีเออข้าวข้า ว, าวยี่ห้อนี้เออซื้อข้าวยี่ห้อนี้ไปถวายปะ่ะอย่างนี้เป็นตน้นอย่างนี้ก็เน้นเสียงเหมือนกันมันก็อยู่ที่ว่าเราจะปรารบยังไงจ่มันอันนั้นก็เรียกว่าสัทธ า, านางบางคนบางกลุ่มก็กลิ่นเน้นกลิ่นคันธาทานางังกลิ่นหอมรสเน้ น, น, นรสหรือโหดทะพะหรือนิ่มเนี่ยนะ แล้วก็ทำมาก็เน้นเรื่องว่าจิตใจให้แล้วได้ความสุขทางด้านจิตใจอันเนี้คือไนายะของพระพิธรรมส่วนไนายะของพระสูตรออของพระวินัยก็คืออาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยแล้วก็ยารักษาโรคลักษณะอย่างนี้เป็นอามิสสบูชาหมดเลยนะเนี่ยที่พูดมาเนี่ยนี่อามิสบูชาตามไนายะพระสูตร10ิบไนายะพระพิธมหกไนายะของพระวินัยสนี้แหละเขาเรียกว่าอามิสสถานอามิสสบูชา นบูชาด้วยอามิตรก็ไปเลือกเฟสเอานะตามสติปัญญาประการต่อมาคือธรรมบูชาธรรมบูชาคือบูชาด้วยการปฏิบัติได้แก่การรักษาศีลการเจริญสมถะกรรมฐานแล้วก็วิปัสนากรรมฐานหรือสมถะภาวนาและวิปัสนาภาวนาอันเป็นปุบปภาคปฏิปทาอันเป็นเบื้องต้นของมรรคผลเป็นท่ามกลางอนิพานเป็นที่สุดคืออย่างนี้ธรรมบูชาเนี่ยการรักษาศีลการเจริญสมถะและวิปัสสนานี่เป็นเบื้องต้น สีลสมถาวิปัสนาเป็นเบื้องต้นอริยมรรคและก็ผลนี่เป็นถ้ำกลางมรรค ก, กับผลนี่เป็นถ้ำกลางโสดาปฏิมรรคโสดาปฏิผลสกาธาคามีมรรคสกาธาคามีผลอานาะคามีมรรคอนาคามีผลอารหัตมรารคอารหัตผลนี่ถ้ำกลางส่วนนิพพานนั้นเป็นที่สุดใช่ไหมธรรมะเนี่ยปฏิบัติบูชาเนี่ยมันมีสาระดับระดับต้นระดับต้นแล้วก็ระดับกลางแล้วก็ระดับสูงสุด นี่เราก็มาพิจารณาดูเราได้ระดับไหนใช่ไหมรักษาศีลหรือยังถ้ารักษาศีลแสดงว่าเข้าถึงความงามของระศาสนาที่เป็นเบื้องต้นศีลเนี่ยอาจเจริญสมถะหรือเจริญวิปัสนาเงี้ยเขาเรียกเป็นเบื้องต้นนะเนี่ส่วนอริยมรรคแล้วก็ผลนี่ก็เป็นท่้ำกลางไปนิพพานก็เป็นที่สุดอันนี้เป็นธรรมบูชานี่ได้แล้วนะบูชามีอยู่สองอย่างเราก็ไปพิจารณาดูเราท่านทั้งหลายนะว่าเออว่า บูชาบุคคลที่ควรบูชาคําว่าบูชาคําเนี้เราได้บูชาอะไรบ้างอมิสซาบูชาเนี่ยเราได้บูชาบ้างหรือยังถ้ายังก็ไปพิจารณาเลือกเฟ้นดูอสูงไปกว่านั้นก็คือธรรมะบูชาการรักษาศีลการเจริญสมถะการบรรลุมรรคผลแล้วก็การเข้าถึงพระนิพพานอันนี้เป็นธรรมะบูชาอันนี้เป็นส่วนของธรรมะบูชาทีนี้ในบูชาทั้งสองอย่างนั้นก็เอามาจําแนกโดยอาจหกอย่าง ถ้าโดยถ้าขึ้นกระดานเนี่นะเอาอามิสบูชาและธรรมบูชาตั้งแล้วก็เอาอัด6เนี่ยมาเอามาเอามาสงเคราะห์เอาอัดสาธาอาทีนาวานิสลาณะผลอุบายอนัตนิสลาณะเอาเนี่ยเอาอัด6อัดเนี่ยไปสงเคราะห์ยกตัวอย่างเช่นสุขสมนัตอิทาลมัเนื่องด้วยการบูชาและตัณหาที่เป็นที่ยินดีในโลกียธรรมนั้นชื่อว่าอัดสาธาเช่น เวลาเราจะบูชาเนี่ยเช่นจะให้ข้าวให้น้ำเออจะให้ข้าวให้น้ําให้ที่อยู่อาศัยให้เครื่องนุ่งห่มให้ดอกไม้ให้ยอดยานพานะให้เครื่องรูปร้ายของหอมเครื่องนอนและเครื่องให้แสงสว่างหรือจะให้รูปเป็นทานเสียงเป็นดานกินเป็นทานเป็นต้นให้ที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคนี่ยนะพอให้แล้วเนี่ยแล้วเกิดความเกิดความสุขเกิดสมานัตอันนี้แสดงให้เห็นชัดว่า บูชาเนี่ยเป็นปัจจัยให้ได้สุขสมมนัตใช่ไหมเอออามิสบูชาเนี่ยเป็นปัจจัยได้สุขสมมนัตเพราะว่าทําให้เราได้อารมณ์ที่ดีอ่าเคยเป็นไหมในชีวิตเราเนี่ยเช่นให้ข้าวให้น้ําให้แสงสว่างให้เครื่องดุ้งห่มเบลเตอร์เหล่าเนี้แล้วเกิดปิติอินดีอ่าถ้าเคยเกิดแสดงให้เห็นชัดว่านี่การบูชาเนี่ยมีผลบูชานี่เป็นสมมนัตทีนี้ประการต่อมาเนี่ยอีกบางกลุ่มเนะ บางคนเนี่ยเรื่องการบูชาเนี่ยบางคนก็บูชาผิดบางคนก็บูชาถูกเนี่ยนะบางคนก็เป็นไปด้วยอำนาจของตัณหาก็ได้อันนั้นเป็นอัาทะเตภูมิกธรรมธรรมที่เป็นไปในภูมิ3ามธรรมที่เป็นไปในกามภูมิรูประภูมิรูประภูมิก็การบูชาการให้เนี่ยนะเช่นถ้าเราให้ข้าวให้น้ำเป็นต้นเป็นเหตุเป็นปัจจัยทําให้เราเกิดในภพภูมิใดภูมิหนึ่งนะบางคนก็ไปเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นต้นเหล่านี้ผลของการบูชา อ้าถ้าไปเกิดลักษณะอย่างนั้นก็เรียกว่าขันที่เป็นไปในภูมิสามอ้าวแล้วขันเหล่านั้นเที่ยงรึเปล่าไม่เที่ยงเลยไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตาลักษณะอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นอาทีนาวะนี่เป็นโทษเออการบูชาเป็นโทษนะถ้าเรามองในแง่เนี้ยอันนี้คือกลุ่มที่เขาจะพิจารณาถึงอริยสัจนะว่าการบูชาในขั้นต่ำๆในชั้นต่ำเนี่ยเป็นโทษเอาเป็นโทษเพราะอะไรทําให้เราได้ตาหูจมูกลิ้นกายใจ ทำให้ได้รูปเวทน า, าสัญญาสังขารวิญญาณเอาเมื่อได้ตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อได้รูปเวทนาสัญญาสังข า, ารวิญญาณมาแล้วก็ทําให้เราได้เกิดแก่เจ็บตายไงเออการได้เกิดแก่เจ็บตายเนี่ยก็คือได้ชาติทุกชราทุกมรณะทุกโอ้ไม่ดีเลยมองเห็นได้ยังว่าอาทีนวะมันเป็นแบบนี้เออ ก, ก, การบูชาเนี่ยนะผลของการบูชาอย่างหนึ่ง คือการไปเกิดใน้พบภูมิที่ดีเป็นต้นเนี่ยนะหรือไม่ดีก็แล้วแต่เนี่ยที่จริงก็คือเข้าไปสู่ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไปในนั้ต า, า น, นั่นเองตรงนี้นี่แหละเขาถึงบอกว่าเป็นอาทีนวะว่าส่วนมรรคผลนิพพานเนี่ยชื่อว่า น, นิสรณะนะประการต่อมาคือว่าอ น, นิสงฆ์แห่งการบูชาเช่นพ้นจากการตีเตียนตนเองพ้นจากการตีเตียนผู้อื่นพ้นจากทกติเป็นต้นอันนี้ภาสิทธก็ว่าเลยทำโมอเวรคติธรรมจาริงทำย่อมรักษาผู้ประ่อพิธรรมอันนี้เรียกว่าพ้น บอกว่าการบูชาเนี่ยเป็นเหตุแห่งการถ้าเรามีทั้งอามิสบูชาและปฏบิบัติบูชาเนี่ยลองมี เ, เราจะไม่ตีเดียนตัวเองเลยนึกถึงตัวเองตั้งแต่หัวจรดเท้านี่ชื่นใจทุกวันเลย <c oughs> นึกทีไรก็ภูมิใจชื่นใจว่าเออเราเกิดมาเนี่ยเรามีร่างกายเราก็ไม่ทํำไม่เอาร่างกายนี้ไปทําบาปเน้เนี่ยให้สีให้พรตัวเองได้อย่างเต็มที่โอ้เราเป็นคู่นี้มีบุญเน้อเนี่ย เกิดมาเราทําแต่คุณงามความดีอย่างเงี้ยนะีพิจารณาไปลักษณะอย่างเงี้ยอันนี้เลียกตนเองก็ไม่ตีเตียนตัวเองท่านผู้รู้ทั้งหลายวินยูชนเป็นตน้นก็เห็นนะเนี่ยเขารู้เนี่ยวินยูชนนี่คือคนมีปัญญาคือบัณฑิตนะเขาเห็นการกระทำเขาก็ชรเสริญอันนี้เขาเรียกพ้นจากการตีเตียนนี่พ้ น, พ, นพ้นสองประการแล้วนะหนึ่งพ้นจากตนเองตีเตียนตัวเองสองพ้นจากผู้อื่นตีเตียน พ้นประการที่สามคือพ้นจากทุกขติภูมิคือเราไม่ต้องไปเกิดเป็นเปรตอสุรากายสัตว์เดรัจฉานสนัตว์นรกนี่พ้นที่สามเป็นอย่างนี้สมดังพุทธภาษิต ท, ที่บอกว่าธทำโมฮเวรคติธรรมจาริงธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติ ธ, ธรรมเหมือนล่มอ่ะนีเหมือนล่มใบใหญ่ป้องกันแดดจากแสงว่าอาทิตย์หรือป้องกันฝนที่รั่วลดมาจากฟองฟ้าเนะีธรรมะจะคุ้มครองรเราแบบนะ แต่ถ้าเราไม่มีคําสอนของพระพุทธเจ้ า, าคอยคุ้มครองเนี่ยนะเรียบร้อยเลยตายปุ๊บเนี่ยมีทุกขติเป็นที่ไปในเบื้องหน้าทีนี้การบูชาเป็นเหตุแห่งการบรรลุนั้นชื่อว่าอุบายบอกว่าการที่เราจะบรรลุสุขติภูมิการที่เราจะไปเกิดในภพภูมิที่ดีได้นั้นอันนั้นเป็นอุบายการแนะนําการตักเตือนให้บูชาบุคคลที่ควรบูชานี้เรียกว่าอนาตัตติฉะนั้นจงบูชาบุคคลผู้ควรบูชาอันนั้นเน่ยเป็นคําบอก พระพุทธเจ้าบอกว่าจงบูชาบุคคลที่ควรบูชานี่นะเพราะเมื่อใดปฏิบัติตามคำสอนแล้วก็จะบรรลุประโยชน์อย่างสูงสุดเป็นต้นทีนี้ก็มาส่งขนะ้อออาทธีนวะและผลเป็นทุกขสั์อาศาทาเป็นสมุทัยสัจจะนิสรณ ะ, ะเป็นนิโรธสัจจะอุบายและอนัตก็เป็นมรุษสั์มีพระบาลีรับรองไว้นะอ า, าโทสมุทโยอาทีนโวพลัจะทุกขัง นิสรณนังนิโรโทรอุปายโยอนัติจมะมัคโขอัสสะทาชื่อว่าสมุทัยอทีนวาวะและผลชื่อว่าทุกนิสระนาชื่อว่านิโรธอุบายและอนัชชื่อว่ามัคนี่เป็นอย่างนี้เนี่ยัตบทเดียวเนียบทคาว่าปูชาจะปูชนียานังเนี่ยถ้าเอามาขยายจะได้แบบนี้นี่ยังไม่จบแค่ น, นี้นะก็ขยายต่อไปนึงขยายต่อไปก็คือคาว่าองค์ธรรมของปูชนียานัง คำว่าปูชนียานังก็แปลว่าบุคคลผู้ควรบูชาได้แก่อะไรได้แก่โลกีย์ขันห้าเวทโลภะของบุคคลผู้ควรบูชาทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าพระสงฆ์บิดามารดาครูอาจารย์เป็นต้นอันนั้นเป็นทุกขสัจเออถ้าบอกว่าขันของพระพุทธเจ้านีิเวทโลขันของพระปัจเจกพุทธเจ้าขันของพระสาวกขันของพ่อแม่ของครูบาอาจารย์ รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณกายกับใจของท่านน่ะขันของท่านน่ะเว้นโลภะออกมาเสียอันนั้นเป็นทุกข์กษัตริย์เป็นทุกข์กษัตริย์ตัณหาที่ยินดีการบูชาที่เป็นเหตุแห่งทุกข์เป็นสมุทยัยสัจจ์อย่างเช่นนี่นะวิธีคิดเออสมมุติว่าเราเคารพพ่อแม่ไม่ใชไ่ไม่ใช่สมมุติแล้วเรื่องจริงนี่แหละพ่อแม่ของเราเนี่ยถามว่าพ่อแม่ของเราเนี่ยท่านมีขันห้าครบไหมครบ มีรูปประคันเวทนาขันธนน์สัญญาสังขารวิญญาณารูปประคันก็คือพ่อแม่พ่อและแม่ก็มีรูปยียิบจะกําหนดลงสัจจะได้ยังไงเนี่ยนะเช่นพ่อเนี่ยหรือแม่เนี่ยท่านก็มีรูปประคันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณลาดับแรกก็เอารูปประคันมาคิดก่อนอย่มะรูป27ดของท่านก็มาคิดดิถ้าคิดไปตามคําสอนก็คือปัทวียาโปเทโชวายโย จาครูภาษาโสตประสาทการนะภาษาชิวหาภาษากายยภาษาถ้าท่านมีครบหมดของพวกนี้ไล่ไปตามลําดับหรือจะไล่แบบคร่าวๆแบบตามในยบสูตรก็ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเย็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจไตตับท้งผืดของท่านเนี่ยกลุ่มต่างๆเหล่านีา้ที่ว่าเวตามลําดับทั้งธาตุดิดนธาตุน้ำธาตุไฟและธาตุลมเนี่ยรวมกันเบษษ็ดเสร็จอันนี้เขาเรียกว่ารูปขันพ่อแม่เราเนี่ยมีจิตไหมมีอันนั้นเป็นวิญญาณขัน์ พ่อแม่มีสัญญาไหมมีมีเวทนาไหมมีเป็นสัญญาขันเป็นเวทนาขันมีเจตสิกที่เหลือไม่มีอ น, นั้นเป็นสังขารละขันสรุปแล้วก็คือพ่อแม่เรามีรูปขันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนีน่ทีนี้พ่อแม่เรามีความโลภไหมล่ะมีเว้นความโลภของพ่อแม่ออกเสียที่เหลือนอกนั้นน่ะเป็นทุกขสัต นั่นแหละรู ป, ปรขันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณของพ่อแม่เว้นเวนโลภะเจตสิกข อ, อกเสียนอันนั้นเป็นทุกขสัตว์คือเป็นทุกเป็นที่ตั้งของชาติทุทกชราทุกมรณะทุกโสกปริเทวะทุกกระทมมนาาัสสาและอุปาญาตใช่ไหมเนี่ยเรามองลักษณะอย่างนี้ว่าโอ้ขันที่เราบูชาขันนี้เป็นทุกเป็นอย่างนี้เองส่วนตัณหาที่เป็นปัจจัยให้ขันขันนี้เกิดขึ้นตัณหาในอดีตนะ ที่เป็นปัจจัยให้ขันของพ่อแม่เกิดขึ้นเนี่ยอันนั้นเป็นสมุทยัยสัจจะความไม่เป็นไปของสมุทัยความไม่เป็นไปของทุกในภพชาติต่อต่อไปเนี่ยความไม่เป็นไปของขันนั้นอันนั้นเป็นนิโรธาสัจจะปฏิบัติข้อปฏิบัติให้เหตุให้เป็นเหตุให้ถึงนิโรดนั้นเป็นมรรคสัจ ก, การกําหนดรอบรู้ลงในลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่ากําหนดลงอริยสัจเออในชีวิตจริงของพวกเราเนี่ยเราเห็นแบบนี้ไหมล่ะ เระมองถึงไขพปุ๊บอริยสัจก็เกิดในใจอย่างนี้ถ้าเกิดอย่างนี้แสดงว่าเริ่มได้ดีนะพอคิดมาป๊บส่วนหนึ่งเป็นทุกขสัจนะเนี่ตัณหาที่เป็นเหตุให้เกิดขันนี้เป็นสมุทยัทยสัจนะเนี่ยแล้วความไม่เป็นไปของสมุทยัทยความไม่เป็นไปของทุกอันนี้เป็นนิโรธาสัจนะปฏิบัตทาที่ให้ถึงนิโรธเป็นมรรคสัจเนีย่ยนะถ้าส่งเคราะห์ลักษณะในใจได้อย่างนี้บ่อย อันนี้เขาเรียกว่าตรึกตามพระธรรมคําสอนเห็นอริยสัจปรากฏในชีวิตจริงเคยเห็นแบบนี้ไหมถ้าไม่เห็นอันนั้นเขาเรียกไม่เห็นอริยสัจแต่ถ้าเห็นอย่างนี้เขาเรียกว่าเริ่มลายเลยในการที่จะเห็นอริยสัจทุกขสัจควรกําหนดรู้สมุทัยสัจจะควรละนิโรธสัจจะควรทําให้แจ้งแล้วก็มรรคสัจก็ควรเจริญนี่เป็นอย่างนี้นะกิจของอริยสัจต้องให้ชัดทุกขสัจควรกําหนดรู้ เช่นเราเห็นกลุ่มของพ่อแม่หรือขันของพระพุทธเจ้าขันของสาวกของพุทธเจ้าขันของครูบาอาจารย์ขันของพ่อแม่เนี่ยก็เป็นทุกขสัตว์แม้ขันของเราเองก็เป็นทุกขสัตว์ตัณหาที่เป็นเหตุให้ขันนี้เกิดเป็นสมุทยัยเป็นต้นเหล่านี้เนีเอออันนั้นควรกําหนดรู้แล้วควรละควรเจริญควรทําให้แจ้งก็ก็ไปทําความเข้าใจถูกต้องเพราะฉะนั้นบาลีว่าปูชาจะปูชนียานังเนี่ย การบูชาบุคคลที่ควรบูชาเนี่ยเมื่อภาลานาโดยเทศนาหาลแล้วเนี่ยก็คือการแสดงอริยสัจนั่นเองนี่เป็นอย่างนี้นะถ้าถามบอกว่าพระพุทธเจ้าแสดงอะไรคำว่าปูชาจะปูชนียนังแสดงอริยสัจถ้าไม่แสดงอริยสัจคนจะบรรลุได้ยังไงใช่ไหมใช่เช่นว่าการไม่ครบคนพานนี่พระเจ้าแสดงอะไรเนี่ยแสดงอริยสัจนะแต่เราไม่รู้ไง เช่นขันของคนพานทั้งหมดเนี่ยเป็นทุกขสัจเว้นสมุทัยนี่นะตันหาเะมนเหตุให้ใหคนขันของคนพานเกิดขึ้นเป็นสมุทัยยสัจความไม่เป็นไปของขันขันนี้และความไม่เป็นไปของตันหาเป็นนิโรธราสัจปฏิปทาที่ให้ถึงนิโรธเป็นมัคขสัจเนี่ยการคร บ, บัณฑิตขันของบัณฑิตก็เป็นทุกขสัจจะเป็นต้นตัวตันหาก็เป็นสมุทัยยสัจสงอเคราะห์ลงได้แบบนี้ไม่ได้ ถ้าสงฆ์ข้อลงได้จึงจะอริยสัจจึงจะปรากฏฉะนั้นเวลาเราฟังมงคลละสูตรเนี่ยฟังอย่างเราเราท่านทั้งหลายหรือคนทั่วไปฟังไม่ได้บรรลุเสมอแต่พระพุทธเจ้าแสดงให้กับเทวดาและมนุษย์ในยุคก่อนเขาบรรลุพระนิพพานกันนะเพราะว่าเขาเข้าใจหมดแล้วคําสอนเหล่าเนี้ยเขามาแยกแยะมาวิจัยละเอียดละอ่อนหมดแล้วคือพระพุทธเจ้าไม่ต้องมาจี้บอกทีละข้อเด้อเออวิจัยแบบนี้นะ ตรุกลงอย่างนี้คิดลงแบบนี้พระเจ้าไม่ต้องบอกอย่างนั้นคือทุกคนมีข้อมูลมันเหมือนว่าคนเขาบอกมองตาเขารู้แล้วว่าควรทำอะไรเหมือนเรามีคนงานเรามีเพื่อนนะเนี่ยเวลามองหน้าปุ๊บเนี่ยไม่ต้องบอกรายละเอียดมากแล้วสามารถไปทำได้ถูกต้องหมดเลยแบบอย่างนั้นนะคือพูดนิดหน่อยแล้วเขเข้าใจวัตถุประสงค์นี้พระพุทธเจ้าบอกคนในยุคก่อนคนฉลาดทั้งนั้นใช่บอกว่า อาศวนาจะพารานางปันติตานั่นจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคละมดตมังพุทธเจ้าบอกแค่นี้นะคนในยุคก่อนก็ฟังเขาบรรลุกันหมดแล้วพอมาบอกคนยุคนี้ฟังเอ๊ะอะไรนะเราก็ได้แค่พื้นฐานนะพุทธเจ้าบอกไม่ให้ครบคนผ่านยังแยกไม่ออกเลยว่าคนผ่านเป็นยังไงยังแยกไม่ออกเลยให้ครบบัณฑิตและบูชาบุคคลที่ควรบูชาหูแค่เนี้ยยังต้องไปคุยกันยาวเลย ประการต่อมาคือพระพุทธองค์สอนให้วิจัยคือวิจยย่าละเอาวิจัยยังไงอ่ะมาจากคาว่าวิวิจิยันติเอเตนาติเอถาติวาวิจโยบทปุจฉาวิสชนาเป็นต้นย่อมถูกพิจารณาด้วยวิธีนี้หรือในวิธีนี้ด้วยเหตุนั้นวิธีนี้เชื่ออวิจัยได้แก่หาละที่มีลักษณะแห่งการพิจารณาอัดสบออย่างเนี่ย มีการวิจัยบทวิจัยปุจฉาวิจัยวิสัชนาวิจัยคําหน้าคําหลังอนุคีติการกล่าวที่สมควรอัาธาอาทีนวานิสรณาผลอุบายอนัตคือการพิจารณาคําถามพิจารณาคําตอบพิจารณาคํากล่าวที่สมควรกับอัดของสูตรพิจารณาบทคือศับเนี่ยของสูตรพิจารณาอัศธาเป็นต้นอันนั้นเรียกว่าวิจัยเช่นคําว่าปูชาเนี่ย ถ้านักภาษาเขาเนี่ยคำว่าปูชาเนี่ยปอปาสระอูชอช้างสระานีา네่นะถ้าภาษาบาลีอ่านว่าปูชาถ้าภาษาไทยอ่านว่าบูชาเนีย่ยนะชื่อว่าศัพท์น่ยหมายถึงเสียงนหะมคำว่าปูชาเนี่ยหมายถึงเสียงหรือสิ่งที่เป็นอารมณ์ของโสตวิญ ญ, ญาณไหมศัพท์หรือเสียงเนี่ยเสียงที่เปล่งออกมาเนี่ยเป็นอารมณ์ของอะไรเป็นอารมณ์ของโสตวิญ ญ, ญาณนะจิตใช่ไหมใช่ คือโสตวิญญาณจิตเนี่ยจิตที่อาศัยหูเกิดเนี่ยสามารถรับเสียงได้รับรับศัพท์คําว่าปูชาที่ได้สัตติยตอิอุจาริยติติสโธสภาพใดย่อมถูกออกเสียงเหตุนั้นสภาพนั้นชื่อว่าสัทธะหรือธรรมชาติใดถึงความเป็นอารมณ์ของโสตวิญญาณเหตุนั้นธรรมชาตินั้นชื่อว่าสัทธะฉะนั้นคําว่าเสียงเนี่ยเสียงที่เปล่งออกมาเป็นคำคำเนี่ย อันนี้หมายถึงเสียงของสิ่งที่มีชีวิตเนี่ยเพราะเสียงเนี่ยมันเกิดจากสองสมุธฐานสองสมุธฐานเกิ อ, อะไรบ้างหนึ่งเกิดจากจิตเป็นสมุธฐานมีจิตเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เสียงดังออกมาอะไรอย่างเสียงคําพูดในขณะกล่าวพระธรรมอันนี้มีจิตเป็นสมุธฐานส่วนเสียงพัดลมที่ดังวิววิวววเนี่ยหรือเสียงไมโครโฟนหรือเสียงเครื่องเสียงเนี่ยอันนี้เกิดจากอุตุเป็นสมุธฐานใช่ไหมเสียงนี้ไม่ได้เกิดจากจิตน่เนี่ย ไอ้เครื่องเนี่ยที่กำลังปั้มน้ําน่ยเสียงดังอยู่เนี่ยอันนี้ไม่ได้เกิดจากจิตเกิดจากอุตูเกิดจาความเย็นความร้อนนั้นเสียงเนี่ยมีสองสมุธฐานฉะนั้นคําว่าปูชาเนี่ยเป็นจิตแต่ชาสั์หรืออุตูชาสับเนี่ยนะบอกว่าเสียงเนี่ยมีอยู่สองชนิดจิตตชาศัพท์เสียงที่เกิดจากจิตและอุตุชาศัพท์เสียงที่เกิดจากธรรมชาติแล้วก็ไปพิจารณาเป็นอย่างนี้นะ เสียงธรรมชาติเสียงฟ้าร้องเสียงอะไรต่างๆต้นไม้เสียงอะไรมีเสียงทั้งนั้นเลยอันนั้นเสียงธรรมชาติส่วนเสียงที่เกิดจากจิตก็คือพวกสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายอันนี้ก็เรียกว่าเวลาจะเปล่งเสียงออกมาเนี่ยอันนี้เขาเรียกเสียงที่เกิดจากจิตลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นเป็นเสียงนิปการต่อมาคือคาว่าบูชาเนี่ยเป็นอริยศัพ สับของผู้เจริญนะไม่ใช่มีราคาสับของไม่ใช่สับของผู้ไม่เจริญนี่ตรงนี้นี่แหละเขาบอกว่าปูชาจะปูชนียานางเนี่ยนะอันนั้นบอกว่าเป็นศัทธะเป็นเสียงสับเนี่ยก็นี่อย่างนี้เขาเรียกวิจัยสับประการต่อมาก็คือว่าปูชาจะปูชนียาทางการบูชาบุคคลที่ควรบูชาเนี่ยเป็นปุจฉาหรือเป็นวิสัชนาในมงคล38มเนี่ย เริ่มตั้งแต่การไม่คบคนพานการคบบัณฑิตการบูชาบุคคลที่ควรบูชาเนี่ยอันเนี้ยเป็นเป็นปุจฉาหรือเป็นวิสัชนาเป็นคําถามหรือเป็นคําตอบไม่โลเลยเป็นคําถามหรือคําตอบคําว่าไม่คบการไม่คบคนพานหนึ่งการคบบัณฑิตหนึ่งการบูชาบุคคลที่ควรบูชาอันนี้เป็นคําถามหรือเป็นคําตอบต้องบอกว่าเป็นคําตอบเพราะว่าเทวดาและมนุษย์ในยุคนั้นมาถาม ถามพระพุทธเจ้าว่าอะไรชื่อว่ามงคลมงคลมีอยู่เท่าไหร่พุทธเจ้าจึงบอกอาการไม่ครบคนพ่านการครบบัณฑิตการบูชาบุคคลที่คนบูชาฉะนั้นจึงเป็นคําตอบไม่ใช่คําถามใช่ไหมวันก่อนก็ไปถามนักเรียนบาลีเขาแปลไอ้นักเรียนบาลีเนี่ยเขาแปลมงคลสามสิบปดเนี่ยเขาแปลไปสอบกันเลยแล้วก็เลยไปถามบอกว่าเออคุณคุณเนี่ย มงคลสามสิบแปดที่คุณมาแปลกันเนี่ยอันนี้เป็นคําถามหรือคําตอบเขาไม่รู้เรื่องกันเลยเห็นไหมเรียนแล้วไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้ว่าเป็นคําถามหรือคําตอบอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นคำคำตอบทีนี้คําตอบเนี่ยที่จะปราศจากคําถามเป็นไปได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมแสดงว่าจะต้องมีคําถามมาก่อนจึงมีคําตอบยูยูจะมาตอบเลยเนี่ยไม่ใช่พระพุทธเจ้าไม่ใช่อยูู่ตอบคําถามเลยไม่ใช่ต้องมีคําถาม ที่นี้ลักษณะของคำถามมีอยู่กี่ประเภท <c oughs> คำถามมีทั้งหมดหประเภทนะในโลกนี้อันนี้พูดถึงในโลกนี้เลยนะมีคำถามอยู่ห้าประเภทประเภทแรกเรียกว่าอธิฐาโชตนาปุจฉาถามเพื่อต้องการรู้ในสิ่งที่ตนเองยังไม่รู้นั่นประการหนึ่งประเภทที่สองทิฏฐสังสันธนาปุจฉาถามเพื่อเทียบเคียงสิ่งที่ตนได้รู้มาประเภทที่สามวิมติ เชษนาปุจฉาถามเพื่อกระจัดความสงสัยประเภทที่ 4. อนุมติปุจฉาถามเพื่อต้องการอนุมัติหรืออนุญาตประเภทที่ห้กระเถตุกรรมยตาปุจฉาถามเพื่อต้องการที่จะตอบเองคําถามมีอยู่หประการนี่แหละประการที่หนึ่งก็คือถามเพื่อต้องการรู้ในสิ่งที่ตนเองยังไม่รู้โอ้โหนี่ปุตุชนทั้งหลายเยอะแยะหมดคําถามประเภทแรกเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่มี พระพุทธเจ้าไม่เคยถามใครอย่างประเภทแรกนะที่บอกว่าเออเดี๋ยวต้องไปถามหน่อยว่าเพราะเรายังไม่รู้เนี่ยเพราะพระพุทธเจ้าไม่มีเลยที่จะไม่รู้อะไรในโลกใบนี้ทั้งเทวโลกพรหมโลกพรหมโลกทั้งหมดนะตลอดแสนกฏจักรวาลนี่นะหาที่สุดพี่ได้เนี่ยพระเจ้าแทงตลอดหมดแล้วถ้าอย่างนั้นจะเรียกว่าสัพพัญญตยานหรือใช่ไหมสัพพัญยูนะเนี่ยแปลว่ารู้ทุกสิ่งทุกอย่างอย่างเรานี่มีเยอะแยะเลย ประการที่สองถามเพื่อเทียบเคียงสิ่งที่ตนได้รู้มาประการนี้พระพุทธเจ้าก็ไม่มีเช่นอย่างเราบางทีมีความรู้อะไรแล้วเราก็อยากจะถามเทียบเคียงเหมือนกันเนะียว่าเออมันจะตรงอย่างที่เรารู้ไหมเนี่ยอย่างนี้มีประการที่สามถามเพื่อกระจัดความสงสัยมันยังสงสัยอยู่ฉะนั้นถามซะเลยเราจะได้สว่างโล่งแจ้งเนี่ยเนะี่ยคำถามลักษณะนี้พระพุทธเจ้าก็ไม่มีประเภทที่สี่ อนุมติปุตรฉาถามเพื่อต้องการอนุมัติหรืออนุญาตอันนี้มีเช่นพระพุทธเจ้าถามบอกว่ารูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงสาวกทั้งหลายก็ตอบว่าไม่เที่ยงพระเจ้าข้าบอกว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าข้านี่สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปลปวนเป็นธรรมดาควรหรือหนอเพื่อจะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นเรา นั่นของเรานั่นเป็นอัตราของเราไม่ควรอย่างยิ่งพระเจ้าข้านี่ถามอย่างนี้เขาเรียกนอนุมติปุชชาถามเพื่อต้องการอนุมัติคือถามว่าต้องการให้ตอบไปตามไปตามที่ตนเองเข้าใจอ่ะลักษณะงี้พระพุทธเจ้าจะมีเยอะท่านในอนัตตลักษณ์สูตรเนี่ยพระพุทธเจ้าจะถามแบบเนี้เวทนาเที่ยงหรือไม่เที่ยงสัญญาเที่ยงหรือไม่เที่ยงสังขารวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงอ่ะ พระภิกษุสงก็จะตอบวจะถอไม่เที่ยงพระเจ้าข้าเนี่ยเขาเรียกอนุมัติบูชาประการที่ห้ากเทตุกรรมยตาบูชาถามเพื่อต้องการจะตอบเองอย่างพระพุทธเจ้าบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบอกว่าเธอทั้งหลายพึงเห็นตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่อัตตาของเราเนี่คือพระพุทธเจ้าตั้งคําถามปุ๊บแล้วก็ตอบเองคือถามตอบเองถามตอบเองไม่ต้องการที่จะให้สาวกตอบ อย่างนี้เขาเรียกกะเทตุกรรมยตาปุชฌาเออถ้าเราศึกษาคําสอนนี่นะการจะไปอ่านพระไตรปิฎกเนี่ยถ้าเราฟังเรื่องนี้มาพุบเนี่ยต่อไปจะไปอ่านเองได้เลยเออเราเริ่มจะเข้าใจคําถามแล้วทีนี้เออพระพุทธเจ้าถ้าไปอ่านตามสูตรต่างๆมันจะมีอยู่คําถามอยู่สองประการเท่านั้นเองที่พระเจ้าถามอ่ะจะมีถามแบบอนุมติปุจฉากับกะเทตุกรรมยตาปุจฉาอีกสาประการไม่มีประเภทที่อธิษฐานสังโชตนาปุจฉา ถามเพื่อต้องการรู้ในสิ่งที่ตนเองยังไม่รู้นี่พระพุทธเจ้าไม่มีทิฏฐาสังสรร น, นาปุจชาถามเพื่อเทียบเคียงสิ่งที่ตนรู้มาก็ไม่มีวิมติเฉทนาปุจชาถามเพื่อกระจัดความสงสัยพระเจ้าก็ไม่มีแล้วก็ตัดสามก็การทิ้งแบบก็เหลือสองประการเออถ้าไปเจอสูตรนี้โอ้อันนี้ตรงกับคําถามประเภทนี้อันนี้นะเราก็เออจะได้เข้าใจคําสอนของพระพุทธเจ้านี่อีกมุมหนึ่งนี่เป็นอย่างนี้นี่คําถามคําถามมีอยู่ห้า ปูชาจะปูชนียานันตินี่เป็นต้นเหล่านี้ในบรรดาทั้งห้าคำนั้นคำปูชาเนี่ยนะพระพุทธเจ้าตรัสว่าปูชาจะปูชนียานางเนี้ยเพื่อประโยชน์อะไรชื่อว่าอาธิษฐโชธนาปุจฉาคือการถามเพื่อต้องการรู้ในสิ่งที่ตนไม่รู้ไม่ใช่เพื่อประโยชน์อันนั้นเหนนัไม่ใช่เพื่อประโยชน์อันนั้นการพิจารณาคําปุจฉาเกี่ยวกับปุคลาธิฐานธรรมาทิฏฐานเป็นต้นเนี่ยนะ อันนั้นก็เป็นสิ่งที่จะต้องทําความเข้าใจทีนี้คําตอบเนี่ยในโลกใบนี้มีคําตอบอยู่4ประการในสประการก็คือว่าเอกังสัพยากรอย่างหนึ่งวิพัฒ ช, ช, ช, ชาพยากรอย่างหนึ่งปฏิปุจฉายพยากรอย่างหนึ่งแล้วก็ทัปนานพยากรอย่างหนึ่งเอกังสัพยากรคือตอบโดยส่วนเดียวตอบโดยทันทีถ้าเขาถามบอกว่าพระอรหันต์ตายแล้วเกิดหรือไม่เกิดเราต้องตอบไม่เกิดอย่างเงี้ย ลักษณะนี้ก็เรียกเอกังสรัพยากรตอบแบบอย่างเดียวไปเลยทันทีแล้วก็ส่วนเดียวไปเลยถ้าก็ถามอย่างนี้นะแล้วทาไมเราต้องรู้เรื่องเรื่องนี้การเป็นพุทธบริษัทเนี่ยสำคัญถ้าเราเจอปัญหาต้องตอบให้ถูกถ้าเขาถามแบบประเภทให้ตอบโดยแง่เดียวก็ต้องตอบก็แง่เดียวอย่าไปตอบเยอะๆใช่ไหมถ้าเขาถามว่า ชาติหน้ามีหรือไม่มีอย่างเงี้ยนะลักษณะอย่างเงี้ยถ้าปัญหาแบบนี้นะเออก็เข้าไปถ้าก็ถามบอกตายแล้วเกิดหรือไม่เกิดอย่างเงี้ไปตอบแง่เดียวไม่ได้อันนี้จะต้องไปอยู่ในข้อของคําว่าวิพัฒชาพยากรต้องแยกประเภทแล้วบอกว่าเกิดก็มีไม่เกิดก็มีต้องแยกนี้ใช่ไหมถ้าก็ถามว่าตายแล้วเกิดหรือไม่เกิดเราบอกเกิดก็มีไม่เกิดก็มีแล้วเราก็ขยายอ่า บุคคลเจประเภทตายแล้วเกิดบุคคลหนึ่งประเภทตายแล้วไม่เกิดเพราะว่าเจ็ดประเภทคือคล้แล้วก็ไล่ไปโซดาม้างโสดาบนไปไล่ไปเลยปุถุชนเนี่ยปเป็นต้นไปตาม ต, าม ต, ามตาม่างทุคติเหตุเกุกับบุคคลสุคติเหตุเกุกับบุคคลทวีเหตุกกับบุคลบคลติเหตุกิุกับุถชนเป็นต้นเนี่ยนะโซดาสกาาอนาคาพวกกลุ่มพวกนี้ตายแล้วเกิดตัวงั้นอ่าแล้วใครละตายแล้วไม่เกิดพระอรหันต์เนี่ย แล้วก็แยกนิสัยนี้เขาเรียกวิพัชชาพยากรณ์ไม่ใช่ว่าเขาถามปัญหาแยกประเภทเราไปตอบด้วยส่วนเดียวอันนี้ถือว่าขาดคําสอนนะถ้าเขาถามปัญหาโดยส่วนเดียวเราไปตอบแยกประเภทอันนี้ผิดีนี่เป็นอย่างนี้นะฉะนั้นการจะตอบปัญหาเนี่ยไม่ใช่ว่าใครก็ได้ไม่ใช่เลยต้องศึกษาคําสอนด้ถ้าใครได้เรียนกัมพีศึกษาคําสอนอย่างนี้ไปนะตอบปัญหาได้ ตอบตรงพุทธพจน์ปฏิบุตรฉาพยากรย้อนถามแล้วจึงตอบใช่บางคนถามปัญหาพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ไม่ไม่ตอบทันทีหรอกอย่างยกตัวอย่างเช่น อ, อ, อย่างยกตัวอย่างเช่นว่าพระเจ้าอาภัยราชกุมารเนี่ยไปถามพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบอกว่าพระพุทธเจ้าตรัสเวลาวาจาเช่นไร บอกพระพุทธเจ้าเนี่ยตรัดคำคำจริงหรือตัดวาจาเช่นไรเช่นว่าคือเอาไพร์ราชกุมารจะไปจะไปประลองคารมกับพระพุทธเจ้าใช่ไไปถึงก็ต้องการจะไปโต้ตอบวาทะกับพระพุทธเจ้าจะไปบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยพูดแต่เรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีหวังกันเถอะแต่ถ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าตถาคตคูดแต่เรื่องดีๆเท่านั้น ก็บอกอา่าวที่พระพุทธเจ้าพยากรณ์ว่าพระเทวทัตจะตกนรกเนี่ยคำคำเนี้ยเป็นคําไม่ดีแล้วพูดทําไมในธรรนองอย่างเนี้ยนะต้องการจะไปย้อนพระพุทธเจ้าพออภัยราช ก, กุมารพูดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยพระพุทธเจ้าย้อนถามย้อนถามว่าดูก่อนอภัยราช ก, กุมารเธอเป็นช่างรถใช่ไหมซ่อมรถใช่ไหมชายบอกว่าเมื่อเป็นช่างซ่อมรถเนี่ย ถ้ามีใครมาถามเกี่ยวกับเธอในเรื่องรถเนี่ยเธอรู้หมดไหมรู้หมดเลยพระเจ้าบอกแต่ฐาคตก็อย่างนั้นเหมือนกันฉะนั้นเพราะพุทธเจ้าเนี่ยตัดสรู้อนุตตรสัมมาสัมปวิยาณถ้ามีใครมาถามพระพุทธเจ้าเรื่องอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยพอถามปุ๊บพระพเจ้าไม่ต้องไปคิดคําตอบไว้ก่อนไม่ต้องไปคิดไว้ก่อนไม่ใช่ว่าโอ้เดี๋ยววันนี้มีคนจะมาถามปัญหาโอ้เตรียมค้นข้อมูลไว้ก่อนไม่มีนะพระเจ้าไม่มี องคแทงตลอดเหมือนคนชำนาญในเรื่องรถเนี่ยไม่ต้องไปค้นคว้าแล้วอยู่ที่ปลายลิ้ น, นถามปุ๊บตอบทันทีนี่เนี่ยดังนั้นคําถามบางอย่างเนี่ยคือต้องย้อนต้องย้อนย้อนถามผู้ถามก่อนพระเจ้าก็เป็นไปลักษณะอย่างแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นเพื่อประโยชน์อะไรเพื่อประโยชน์ของผู้ถามเนี่ยประเภทที่สี่ทับนาพยากร์ทับนาพยากรเนี่ยไม่ตอบคือไม่เกิดประโยชน์เช่นถามบอกว่า บอกคนเราตายแล้วสูนหรือไม่ยงไงนะอย่างเงี้ยนะหมายคำถามที่มีสัตว์บุคคลเนี่ยนะที่ไม่เป็นไปเพื่อการประพฤติปฏิบัติไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ในปัจจุบันในพบหน้าและประโยชน์อย่างยิ่งพุทเจ้าไม่ตอบอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าคนที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเนี่ยถ้ามาตั้งปัญหาสักร้อยคาพุทเจ้าก็นั่งเฉยอย่างเช่นเป็นมิจฉาทิฏฐิอ่ะมีพื้นฐานเป็นมิจฉาทิฏฐิอย่างรุนแรงอยู่แล้วมาตั้งปัญหาถามยังไงพุทเจ้าไม่ตอบเนี่ยนะไม่เป็นประโยชน์ไม่ขอประโยชน์ นี่แหละพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเพื่อให้เราเวนยศัสตร์ทั้งหลายทําการบูชาผู้ควรบูชาเมื่อบูชาผู้ควรบูชาแล้วก็จะพ้นจากทุกทั้งปวงได้เป็นต้นถ้าถามบอกว่าปูชาจะปูชนียะในมงคลสูตรเนี่ยพระพุทธเจ้าตอบประเภทไหนเป็นคําตอบประเภทไหนประเภทเอกรังสัพยากรวิพัฒชาพยากรปฏิบุตรชาพยากรั ป, าารปนาพยากร บอกในมงคล38นี่เป็นคำตอบประเภทไหนก็ต้องบอกว่าเป็นประเภทวิพัชพยากรประเภทแยกประเภทตอบเห็นไหมเพราะเขาถามว่ามงคลมีอยู่กี่ประอะไรเป็นมงคลเห็นไหพุทธเจ้าแยกตอบเลยแยกบอกว่ามงคลมีอยู่38บปประการนะเราก็ไล่ไปตามลำดับการไม่คบคนพาลการครบบัณฑิตการบูชาบุคคลที่คนบูชาเป็นต้นเนี่ยนี่เป็นอย่างนี้นะ ลักษณะอย่างนี้เนะี่ยเขาเรียกว่าเป็นเป็นการตอบแบบแยกประเภททีนี้บูชาบุคคลที่ควรบูชาเนี่ยเพื่อประโยชน์อะไรคําตอบก็คือเพื่อประโยชน์ในการแนะนําเวเนยศาสตร์ให้บุคคลที่บูชาบุคคลที่ควรบูชาแล้วก็พ้นจากชาติทุกชราทุกมรณะทุกโสกัปริเทวาทุกกะระทมนาาัสสาและอุปาญาติผู้เจ้ามองอย่างนั้นเนีบอกทำไมพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าให้บูชาบุคคลที่ควรบูชา เขาบอกถ้าเธอทั้งหลายบูชาบุคคลที่ควรบูชาแล้วเนี่ยเธอทั้งหลายจะพ้นจากทุกทั้งปวงประการแรกก็คือพ้นจากการตีเตียนตัวเองพ้นจากผู้อื่นตีเตียนพ้นจากภัยในทุ ก, กติภูมิใช่ไหมพ้นจากภพทั้งปวงเลยเข้าถึงความบรรลุหลุดพ้นเป็นพระหลานเป็นต้นได้อันนั้นเป็นอนิสงส์แห่งการบูชานะแม้การบูชาดีอย่างนี้นะ เป็นเหตุเป็นปัจจัยของการพ้นทุกข์ทั้งปวงได้อเราดูใครเป็นตัวอย่างได้ดูนายสุ ม, มนมาลาการนายสุมณ ม, มาลาการที่บอกเก็บดอกไม้บูชาใช่ไหมเก็บดอกไม้บูชาให้พระเจ้าประเสริฐที่โกรธนทุกวันทุกวนักวนวันละแปดกำมือเนี่ยมีอยู่วันหนึ่งไปเก็บมาเหมือนกันเจอพระพุทธเจ้าตัดใจหรอกวันนี้เราไม่เอาไปให้พระเจ้าแผ่นดินแล้วถ้าเราไม่เอาดอกไม้ไปให้พระเจ้าแผ่นดินเราอาจจะถูกตัดศรีร ษ, ษะก็ได้ อาจจะถูกจองจำก็ได้อาจจะถูกฆ่าตายเป็นต้นก็ได้แต่เราไม่เสียดายชีวิตเราได้เจอพระพุทธเจ้าเป็นบุญยราบของเราแล้วเนอะอยากกันนั่นเลยเนี่ยนะก็โยนดอกไม้ใ น, น, น, น, นกำมือของตนเองนะบูชาพระผู้มีพภาคเจ้าด้วยอานิสงส์แห่งการบูชาในครั้งนั้นพระพุทธเจ้าประแยมพระโอษพ์้านน์ก็ย้อนก็ถามกาบทูลถามพระผู้มีพภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เยริ่น บอกว่าพระ อ, องค์ย้มพระโอษด้วยเหตุอะไรหนอแล้พุทธเจ้าก็ดูกรานนลนายสมมนมาลาการเนี่ยโดยอานิสงส์แห่งการบูชาตถาคตในวันเนี้จะไม่รู้จักทุกขติสิ้นแสนแห่งกลับไปข้างหน้าแสนกลับจะไม่รู้จักคําว่าทุกขติภูมิเลยและในพบสุดท้ายจะได้เกิดเป็นพระปัจเจกับพะพุทธเจ้าตัดสรู้เองด้วยเนี่ยอานิสงส์แห่งการบูชาแปดกำมือนาะโอ้โหยิ่งใหญ่ขนาดนั้นใช่ไหม ถ้าเป็นเราสมมตินะเขาบอกเออดอกไม้นี้ให้เอาไปบูชาไปถวายพระเจ้าแผ่นดินในพระราชวังเนะถ้าอย่างนั้นมีความผิดเนี่ยนะเดินผ่านไปแล้วไปเจอพระพุทธเจ้าเนี่ยกล้าไหมาอย่างเราเนี่ยไม่กล้าเนี่ยกลัวโดนตัดศีรษะใช่ไหมอันนี้นายสุมณม马 า, าการกล้านี่เขาเรียกกล้าจริงๆกล้าที่จะบูชาแต่ไม่แน่นะบางคนอาจจะกล้าก็ได้นะคนกล้าเขาเขามีสุขติเป็นไปในเบื้องหน้า คนไม่กล้าก็ต้องมาทุกข์ทรมานเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลอยู่เลยเนี่นี่ก็คนไม่ค่อยกล้าบูชาต่อไปไม่เอาแล้วต่อไปต้องกล้าดีกว่านะจะได้ไม่ค่อยเจ็บปวดชีวิตนะบูชาจะปูชนียนางการบูชาบุคคลที่ควรบูชาเนี่ยนะพระพุทธเจ้าตรัสไว้ปูชาราเฮปูชยโตพุทเทยทิวาสาวเะเคปาปัญจะสมติกันเต ติ น, นโสกปริเททเวเตตาทิเสปูชยโตนิพุตโตอกุโตเพเยก็ <_ an> แปลว่าใครๆไม่อาจจะนับบุญของบุคคลที่บูชาบุคคลผู้ควรบูชาคือพระพุทธเจ้าและสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ก้าวล่วงทำเครื่องเนิ่นช้าผู้ข้ามความโศกและความร่ําไรลําพันได้แล้วว่ามีบุญมีประมาณเท่านี้ใครๆไม่อาจจะนับบุญของคนที่บูชา ผู้คลผู้คนบูชานั้นผู้ดับกิเลสแล้วไม่มีภัยแต่ที่ไหนๆว่าบุญนี้มีประมาณเท่านี้เห็นไหมบอกว่าอย่างนายสมมนมาลาการเนี่ยนะบูชาพุทธเจ้าเนี่ยไม่สามารถจะเอามาคํานวณ น, นับได้นะบอกว่าเออเนี่ยการบูชาดอกไม้8ปดกำมือเนี่ยนะว่ามีมีผลเท่านี้เท่านี้นี่นะถ้าบอกว่าถ้าเราจะไปคํานวณหรือไปนับเนี่ยได้ไหมไม่ได้ไม่สามารถที่จะคํานวณ น, นับได้เลย การที่บุคคลในโลกนี้จะครองความวาเป็นใหญ่ในทวีปทั้งสี่เช่นในชมพูทวีปอุตรากุรุทวีปปุบพาวิเทหาทวีปแล้วก็อัปปะราคโคยานาทวีปก็ยังไม่ถึงเสี้ยวที่16หแห่งการบูชานี้เอาเลยเป็นพระเจ้าจักรพรรดินี่นะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิอย่างพระเจ้ามรนธาตุราเนะี่ยปกครองทวีปทั้งสี่แล้วก็มีทวีปน้อยใหญ่อีกพันเป็นบริวาร แล้วก็ยังปกครองสวรรค์ชั้นยาตุม่มปกครองสวรร์ชั้นดาวดึงเนี่ยนะบุญที่เกิดขึ้นจากการได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิเนี่ยที่เกิดขึ้นจากการบูชานะั้นน่ะน้อยนิดน ย, ยังไม่ถึงเซี่ยวที่16บหกแห่งการบูชาเนี่เช่นเอาบุญนี้นะแบ่งออกมาเป็น16เซี่ยวนะเนี่ยเอาบุญจากการบูชานะีแบ่งออกมาเป็น16อย่าง16ครั้งนี่นะแล้วเอาครั้งสนะิบสิน่ยมาแยกออกมาเป็นอีก16 เซี่ยวนึงของที่สิบหกของที่สิบหกบุญยังไม่เท่าเ <Yeah. S 1> ลยเหมือนไม่รู้ cko. จะอุปมาอย่างไงมันน้อยนิดแค่นั้นเองฉะนั้นการบูชาบุคคลที่ควรบูชาเนี่ยมีอานิสงส์มากเมื่อก <me ant> ิตเลื่อมใสในภาพ